มรส ก, การหลวงตาค่ะคะ่ะโยมขอความเมตตาหลวงตาขยายความเรื่องออพบกับชาติในวงจรปฏิจจสมุปา่ะแล้วก็ชรามรณะเพราะว่าวันนี้ได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นแต่ว่ามาจบที่อุปาทานก็แล้วก็มีประโยคหนึ่งของพระพุทธองค์ที่กล่าวว่าพบแม้นิดเดียวก็นางหน้ารังเกียจ ด, ดูดมูดคูดแสดงว่าพบตรงนี้มีความสาคัญ อย่างมากนะแต่ว่าก็ยังมีการตีประเด็นกันไม่ถูกว่าพบกับชาติคืออะไรต่างกันอย่างไรเพราะว่ามีการพูดติดกันก็เข้าใจว่าชาตินี้และชาติหน้าอย่างเดียวขอกราบข อ, ข อ, ขอโอกาสหลวงตาอธิบายเจ้าค่ะพบชาติเนี่ยคือยึดยึดอะไรเนี่ยคือพบชาติยึดอะไรในขณะจิตปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปสร้างพบสร้างชาติไปแล้วในขณะจิตปัจจุบันยึดอะไรอยู่ นั่นคือสร้างภพสร้างชาติส้างในใจเราก่อนนะสร้างในใจเราก่อนพอไปยึดปุ๊บยึดเนี่นคือที่ไปจับจองแล้วก็ชาติคือเตรียมไปเกิดที่นั่นแล้วเรียกว่าชาติชาติแล้วก็คือไปไปเกิดที่นั่นแล้วตอนนี้พอขนาดจิตต่อมาเปลี่ยนการยึดเดิมสมมุติว่าเอยึดสามีอยู่ยึดสามีภรรยายอยู่ตอนเนี้ยคิดถึงเขา คิดถึงเขามากเลยตอนนี้เขาจะไม่กลับเข้าบ้านอจิตเราเนี่ยก็ส่งออกนอกไปหาเขาส่งออกนอกไปหาสามีถ้าเราตายขณะนั้นเนี่ยจิตมันไปจับจองไปแล้วเนี่ยอจิตมันไปจับจองแล้วคือมันไปเกิดเ่ยยึดสามีเนี่ยมันก็ไปเกิดที่สามีแล้วก็ไปจับจองแล้วเป็นเป็นพบเป็นชาติพบก็คือไปไปอยู่ที่สามีแล้วก็ชาติก็คือไปเกิดที่นั่นแหละไปเกิดที่นั่น ทีนี้พอสามีกลับมาบ้านแล้วอ่าสามีกลับมาบ้านแล้วก็หมดห่วงหมดกังวลเรื่องสามีเพระสามีกลับมาบ้านแล้วนี่พอพอสามีกลับมาบ้านปุ๊บไอความหมดห่วงหมดกังวลสามีในขณะนั้นอนะ่ะก็คือเอมรณะไอไอที่ไปยึดไว้ก็มรณะตายตายจากพบนั้นพบนั้ น, นตายแล้วเพราะว่าสิ้นยึดในขณะจิตนั้นแนละ้วก็ตายเป็นมรณะแล้วมันก็เลย เออพอเราไปยึดอะไรอะ่ะตั้หาอุปทานพบชาติมันไปเกิดแล้วก็พอพอตายพบตายจากภพนั้นไปยึดใหม่อนันก็ตายไปเป็นเป็นมรณะไปเป็นมรณะก็ตายไปแลนน้วทีนี้อ่าพอสามีกลับมาบ้านก็ เ, เลิกห่วงเลิกกังวลเรื่องสามีก็ไปยึดลูกต่อเออลูกจะไม่กลับตอนนี้ไปยึดลูกไปยึดลูกเสร็จอ้าวก็พบที่เป็นจะไปเกิดสามีก็ตา ย, ก, ตายก็ไปเตรียม ไปสร้างพบที่ลูกอไปสร้างภพไว้ว่าจะเป็นเกิดกับลูกก็ไปไปสร้างพบแล้วก็ไปเป็นพบเป็นชาติเอาลูกกลับมาบ้านพอลูกกลับมาบ้านเอาหมดห่วงลูกผมหมดห่วงลูกปุ๊บเอ้ามันก็เลยตายอีกพบชาติที่จะไปเกิดมันก็ตายตายเพราะวินาทีต่อมาไปยึดอะไรต่อล่ะ พอยึดได้ต่อมันก็ไปสร้างภพสร้างชาติแล้วก็พอเปลี่ยนที่ยึดมันก็ตายภพชาติที่ไปสร้างไว้ก็ตายก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเป็นขนาดจิตขณะจิตขนาดจิตเข้าใจไหมเข้าใจเจค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมื่อเช้าหลวงตาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเออตรงนี้ถ้าพูดตรงนี้ก็พูดตอนถ้ามันมันเป็นภพชาติแล้วขอพูดตองเรื่องสิ้นภพชาติไปด้วยเลยเออมันจะได้จบเบ็ดเสร็จนี้พอเราเรายึดอย่างนี้ใช่ไหม เขาจึงห้ามส่งจิตออกนอกไปเพราะว่าถ้าส่งจิตออกนอกเนี่ยมันเป็นสมุทัยอริยสัจสี่ไงอริยสี่ที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นส่วนใหญ่ที่พระพุทธูณอัตุโลท่านอธมาสรุปว่าถ้าส่งจิตออกนอกหรือจิตส่งออกนอกเนี่ยส่งออกนอกไปอ่ะส่งออกนอกไปกาะเกี่ยววัวพันสิ่งใดอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือไปเกิดปุปราทานแล้วก็เกิดภพเกิดชาติทันทีณขณะนั้นเตรียมที่จะไปละ นั่นถ้าส่งจิตออกนอกแต่ละขณะอันนี้อันตรายมากเลยเพอเปลี่ยนที่ที่ยึดปุ๊บเปลี่ยนที่ส่งจิตออกนอกมันก็จะตายตายแล้วก็เปลี่ยนที่ส่งจิตออกนอกไปใหม่แล้วก็ไภพชาติเก่าที่เตรียมจะไปเกิดมันก็ตายอย่างเงี้ยมันก็จะสลับบุญไปเรื่อยๆนะอย่างนงี้นะทุกครั้งที่เราส่งจิตออกนอกอั น, นเราเนี่ยการปฏิบัตินเนี่ยเราอย่าปฏิบัติเดินทางในฝ่ายตัณหาอุปทานพพชาติคืออย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอก ถ้ามัอยู่ในใจของเรานี่ยแหละถ้าอยู่ในใจของเราก็คือว่าจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอริยมรรคผลในจิตเห็นจิตอย่งแจ่มแจ้งเป็นนิโรธก็คือดับทุกข์ดนั้นให้เราเนี่ยเห็นจิตอยู่ในจิตนี่แน่เห็นจิตอยู่ในจิตเห็นจิตอยู่ในจิตจะส่งออกไปนอกเนี่ยจะส่งไปข้างนอกถ้าส่งไปข้างนอกมันก็จะไปเกิดอุปทานพบชาติไปเกาะเกี่ยวผัวพันสิ่งใดก็จะเกิดอุปทานพบชาติเรื่อยไปเพราะ พอเปลี่ยนที่ยึดมันก็จะตายประธานพบชาติที่เสียไปเกิดก็ตายก็ไปไปเกิดใหม่อีกตอนที่เราส่งอันใหม่ไปตอนนี้คนที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยคนที่ไม่เคยปฏิบัติมันจะส่งจิตออกนอกตลอดเลยคือตรงยังไงอ่ะเวลาตาเห็นรูปแทนที่จะเห็นเนี่ยจิตในจิตอยู่ข้างในในใจของเราว่าเอารูปนั่ น, น่ะมาวิาพาษ์วิจารณ์อย่างไรในใจเราแล้วเราก็เห็นว่าจิตเนี่ยเข้ามาคิด นึกตึกตรองวิาพาบวิจารณสิ่งใดที่เราไปเห็นที่ได้ยินที่ได้กินที่รู้รสที่รู้สัมผัสแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์พ อ, อจิตวิญญาณาขันเนี่ยเข้าไปรู้ปุ๊บเขาก็จะต้องเอามามาคิดตึกตรองวิาพาษบวิจารณ์อยู่ในใจมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจิตวิญญาณาขันต้องทำร่างานร่วมกับเจตติกือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันนีเน่เป็นกระบวนการของชีวิต พอรู้อะไรพวกเขาก็จะต้องมาเอาเอามาวิภาควิจารคือมันจะพูดภาคพูดภาคอยู่ในใจทันทีคือส่งต่อเวทนาตัญญาทั้งขานคือภาคทันทีอย่างที่เมื่อวานที่ตรงตาบอกว่าพอหลวงตายกนี่ปุ๊บยกไอ้กระติกน้ำสีเงินวาวขึ้นมาปุ๊บในใจของท่านไม่มีใครหลับที่เห็นได้เฉยโดยที่ในใจไม่ภากอะไรไม่พูดอะไรจะพาคพูดทันทีว่าหลวงตา ยกกระติกน้ํามันจะภาคล่าวว่าหลวงตายกกระติกน้ ำ, ลนำแล้วบที่อาจจะภาคอะไรต่อว่าเอ๊ะหลวงตายกกระติกน้ําทําไมมันก็จะพูดต่ออย่างเงี้ยคือแล้วแต่ว่าใครจะพากจะพูดอะไรแต่ทุกคนต้องภากต้องพูดแม้แต่ว่าตอนหลวงตาวางกระติกน้ําไปแล้วในใจก็จะต้องภากพูดว่าไงเออลุงตาวางกระติกน้ําไปแล้วว่าเนี่ยนะคือในมันนี่คือธรรมชาตินะ ธรรมชาติเราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยพองลุงตาเปลี่ยนไปยกนี่ขึ้นมาปั๊บในใจของโมทัตเห็นลุงตายยกนี่มาปุ๊บอะไรในใจต้องพูดว่าไงแหมแก้วลุงตายกแก้วน้ำเปลี่ยนจากกระติบเป็นแก้วทุกคนต้องพูดหมดเลยในใจนะแต่เราไม่เห็นเองนะเนี่ยแต่พูดนะเนี่ยคือจิตเห็นจิตต้องเห็นว่าขนาดจิตที่เรากระทบอะไรเนี่ยมันจะต้องพากพากว่ายังไง แล้วมันจะจําอะไรได้แล้วก็จะต้องคิดติกตองคือเวทนาถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆแล้วก็จําได้หมายรู้แล้วก็คิดปุงปุงคิดอูกตายกแก้วน้ําเปลี่ยนจากกระติกเป็นแก้วน้วําอำวางตาวางแก้วน้ําแล้วมันก็ต้องพูดตามนี่คือธรรมชาตินะปกติเราจะต้องเห็นอย่างเงี้ยสักตวัรู้จิตในจิตของเราอย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่เช่นนั้น่ะถ้าเราไม่สักตวรู้จิตในจิตเนี่ยเราจะส่งจิตออกนอกไปหารูปที่เราเห็น แทนที่เราจะมารู้ว่าจิตเนี่ยเขาเอารูปมาเอารูปที่เห็นนั่นน่ะในขณะปัจจุบันนั้นน่ะเอามาวิพาควิจารณอย่างไรในใจแต่เรากลับส่งจิตออกนอกไปสนใจแต่รูปเราเลยวิพาควิจารณเขาคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นถูกใจเราไม่ถูกใจเราเราก็เลยรู้แต่เรื่องของคนอื่นรู้แต่เรื่องที่เราเห็นรู้แต่เรื่องหนังละครที่เราไปดูแล้วก็เอามาวิพาควิจารกันรู้แต่เรื่องในไลน์ในโทรศัพท์มือถือที่เล่นงันแล้วก็ มาวิภาควิจารณ์เพราะว่าเราสรงจิตออกนอกตลอดเราไม่เลยรู้เลยว่าในเนี่ยขนาดที่เราเห็นอะไรเนี่ยเราเห็นจิตเราเนี่ยมันภากอย่างไงพูดยังไงมันคิดดุจตอปรุงแต่ะยังไงเห็นวม่ได้ทําอะไรหรอกก็แค่สักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้จิตในจิตสักแต่ว่ารู้ทุกคิด ไ, ไป่จิตไปจิตคิดอย่างไรได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจเนี่ยเมื่อกี้ก็ส่งเนื้อเพลงขึ้นมาที่โยมตุ้มขอเข้ามาเนี่ยก็เลย ไอ้ลูกศิษย์ก็ส่งมาให้เนี่ยที่เพลงที่เราเปิดเมื่อกี้เนี่ยรู้เนี่ยรู้ทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นอย่างไรได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจๆๆทีนี้ก็เราพอรู้แต่ยึดใจเนี่ยอยู่แต่ที่ใ น, ในใจเราพอเขาไปได้ยินอะไรเขาไปได้กลิ่นอะไรไปรีบรดอะไรไปสัมผัสอะไรเขาก็จะต้องเอามาเอามาคิดมาปรุงปรุงคิดอยู่ในใจของเราไม่ไปปรุงที่ไหนได้แล้วมันต้องมาปรุงอยู่ในใจนแน่ๆถ้าเราเนี่ยสติตั้งที่ใจ มันก็จะรู้เรื่องของในใจเราตลอดเลยว่ารู้จิตเห็นจิตปัจจุบันตลอดเวลาเลยเพราะว่าสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันจําจไว้ให้ดีนะสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นตอนนี้ถ้าท่านไปเห็นอะไรในชีตประจำวันเนี่ยดูหนังดูละครรู้เรื่องของคนนี้ไปชอปปิ้งไปทางานทาการ เล่นโทรศัพท์มือถือท่านเอาเนี่ยไปรู้แต่เรื่องในโทรศัพท์มือถือรู้แต่เรื่องคนอื่นรู้แต่เรื่องงานการเนี่ยท่านส่งเอาสติไปตั้งไว้ที่สิ่งที่ท่ทานเห็นหมดมันก็ไปรู้แต่เรื่องที่สิ่งที่ท่านเห็นอย่างเดียวแต่ถ้าไม่รู้เรื่องของใจตัวเองเลยเพราะว่าสติที่ตั้งอยู่ที่ใจไม่มีเนี่ยทีนี้เวลาชีวิตประจําวันเนียทํากิจการงานใดก็จะต้องให้มีสัพชัญญาคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการทํากิจการงานนั้น ในในขณะชีตประจําวันไม่ให้ผิดพลาดแต่สติเนี่ยก็ต้องตั้งที่ใจมันจะได้รู้เรื่องที่ใจว่าทุกขณะปัจจุบันเนี่ยไปเอาสิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่รู้รสที่รู้สัมผัสที่รู้อาการเอ่อที่รู้อาการกิริยาการต่างๆเนี่ยคือทำอารมณ์เนี่ยเอามาวิาพากย์อย่างไรเอามาวิาพากษ์วิจารณในใจอย่างไร น, นี่เรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลแห่งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ มันจะได้ไม่ส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์สิ่งทุกอย่างที่รู้ในขณะปัจจุบันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตหรือวิญญาณขาคารที่ไปรู้ดังนั้นน่ยถ้าสติเนี่ยไปตั้งอยู่ที่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสีสีธรรมอารมณ์ในทุกขณะปัจจุบันเราแต่ส่งจิตออกนอกไปรู้แต่เรื่องข้างนอกแต่ไม่รู้เรื่องของใจตนเองอย่างเดียวเลยว่าเอาสิ่งที่เราไปรู้เห็นไปสัมผัสเนี่ยเอามาคิดลึกติกตองปรุงแต่งอย่างไร เมื่อส่งจิตออกนอกไปหาสิ่งที่เราเนี่ยไปสัมผัสทางตาหูจมูกิีนกายใจเข้ามันก็ไปเนี่ยเข้าไปมีตัณหากับสิ่งนั้นคือไปพอใจไม่พอใจถ้าพอใจก็เพิดเพลินไปกับการดูหนังดูละครเล่นเกมเล่นแชทเล่นไลน์คุยกันไปช้อปปิ้งทำงานกับเพลินไป ถ้าไม่พอใจก็ไปตำหนิติเตียนนินทาว่าลายพูดเสียสีก็แทกแดกดันกระทบกระเทียเปียเปยนี่ไม่พอใจก็กลายไปเป็นเนี่ยปัญหาอุปทานสร้างภบสร้างชาติขึ้นมาในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะไปเกิดแล้วเอแต่พอเปลี่ยนไปอีกในขณะจิตต่อมาก็ไปเปลี่ยนไปส่งจิตออกนอกไปหาสิ่งใหม่ไปชอบไปช่างสิ่งใหม่ก็ตายจากสิ่งเก่าก็ไปเกิดสิ่งใหม่หมุนวนไปอย่างเนี้ยที่พร้อมที่จะไปเกิด ตอนนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้ตลอดไปมันก็เหมือนกับเราเนี่ยลูเล็ตเลยเป็นแบบลุเล็ตที่ว่ามันเป็นช่องจองช่อ ง, ช, องช่องชีวิตอ่ะเราจะตายขนาดจิตไหนอ่ะมันเป็นยะถากรรมเลยแบบเนี้ยยถากรรมว่าเราส่งจิตออกนอกไ ป, ไปมั่วเลยตลอดเวลาเลยตอนนี้ยเราจะตายตอนไหนอ่ถ้าเราตายปุ๊บลุเล็ตเราไปตกช่องไหนอย่างนี้เขาเรียกว่าชีวิตเป็นปล่อยไปตามยะถากรรมไปตามกิเลสตนเลยอย่างเดียวเพ ร, ราะพุทธเจ้าตรัตดว่า ดูก่อนระสาวง่มนุษย์ทั้งหลายที่ตายจากมนุษย์แล้วโอกาสที่จะไม่ตกอบายแทบไม่มีเลยมนุษย์เนี่ยแหะมีปริมาณเท่ากับพื้นในปฏตพีเนี่ยที่ตายแล้วไปสู่อบายหมดเพราะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยปล่อยให้เป็นไ ป, น ป, น ป, นปนตามกิเลสตรงจิตออกนอกกมดน้อยคนนักมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ที่จะเนี่ยไม่สรงจิตออกนอก ไปเกิดความรักความชางังตัางตาหูจมูกลิ้นกายใจในทุกขณะปัจจุบันน้อยค น, นเท่ากับมีปริมาณเท่ากับดินในขี้เล็บของพระ อ, องค์มนุษย์นอกนั้นปล่อยใจไปตามกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะปัจจุบันมนุษย์เหล่านั้นจึงไปเกิดในอบายหมดไปเป็นสัตว์ในฉานเปตอสุรกายสัต ว, นตวน์นรกหมดน้อยนับมีปริมาณเท่ากับเนี่ยคนจะเป็นอย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมะที่ไม่ส่งกิจออกนอกมา ก็เลยมันเนี่ยมีแค่ปริมาณดินในขี้เล็บของพระองค์แค่เดียวไหมนอกนั้นนะเท่ากับดินในพืชปฏิพีไปอบายหมดเพราะส่งจิตออกนอกหมดมีโกมีพวกท่านนี่นี่ไม่สรงจิตออกนอกจิตเห็นจิตอยู่ทุกนาฏปัจจุบันไม่ว่าจะกระทบอะไรตาหูจังหวินกายใจก็จิตเห็นจิตจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตอยู่อย่างเดียวไม่ส่งออกไปข้างนอกอย่างเนี้ยมันก็ไม่ไม่เป็นเนี่ยทัญหาอุปทานเป็นพบเป็นชาติได้หรอกมันก็จิตเห็นจิตมันก็เลยเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นอริยมรรคเป็นอริยผลทุกนาฏปัจจุบัันนนเเี่ยยมก็ล เมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งถ้าท่านสักแต่ว่ารู้เนี่ยสักแต่วะรู้จิตจิตเห็นจิตก็คือแค่สักแต่วา่ารู้หรือหรือพ่อแม่กูบาจารย์ได้คําว่ารู้ซื่อแต่ก็แปลพุทโพจน์ของพุทธเจ้าตัดกับพัยายะว่าถ้าเธอสักแต่ว่ารู้เธอก็จะไม่มีตัวตนของเธอเลยความรู้สึกเธอจะไม่มีตวัวตนใจก็จะว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากกิเลสว่างเปล่าจากความทุกข์เธอจะบรรลุพระนิพพานรู้ซื่อหรือว่าสักแต่วะรู้หรือแค่รู้ จิตเห็นจิตหรือแค่แค่รู้หรือแค่เห็นแค่รู้หรือแค่เห็นจิตเห็นจิตเราทุกขณะปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เป็นที่มาของการบรรลุนิพพาน<ด>าก็จะสิ้นอุปทานภพชาติก็เลยก็สิ้นปฏิจจสมุปบาทคือเบียดบ้ายตายเกิดติดภพสินชาติเนี่แหละแล้วก็สิ้นกิลเลสและความทุกข์ทั้งหมดเลยเพราะการเกิดก็มาจากปฏิจจสมุปบาทในกระบวนการในปฏิจจสมุปบาทถ้ากระบวนการปฏิจจสมุปบาทขาดหักสะบัน ปัหาดับอุปทานกระดับภพบชาติกระดับอชรามรณะแล้วก็ความทุกข์ดับหมดแล้วก็อวิชาก็ดับไปเลยเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายญาณะผัสสะเวทนาปัญหาอุปทานภพชาติเอแล้วก็ชรามรณะโสกบาลิเทวะทุกขะทมรัตุปายาสะ ทุกโศกเศร้าเสียใจครับแกนใจดับหมดเลยเกลี้ยงหมดเลยตัณหาดับตัวเดียวดับหมดเลยทั้งหมดทั้งกระบวนกั้นตัณหาเกิดจากอะไรตรงจิตออกนอกถ้าถ้านไม่ตรงจิตออกนอกตัณหาดับหมดเลยพอตัณหาดับดับหมดเลยราาพระเจ้าจึงบอกว่าต้นตัณหาที่เป็นเหตุให้พาเบียนว่ายตายเกิดทุกโศกเศร้าเสียใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะความทุกข์ในความยึดถือเนี่ยตรงจิตออกนอกเนี่ย น้ำตาเนืองนองดุดท้องทะเลมหาสมุด ต, ตายแล้วกองกระดูกของพวกเราทุกคนเนี่ยเอามากองรวมกันหลายชาติที่เกิดมาในโลกมนุษย์นี่กระดูกกองกระดูกเราคนเดียวเนี่ยใหญ่กว่าภูเขาสิอีกใหญ่กว่าภูเขาลูกใหญ่ใหญ่สิอีกเรานั่งอยู่เนี่ยขุดไปตรงที่เรานั่งแทบจะไม่มีเลยตรงไหนที่ไม่มีกองกระดูกของเราไปเจอกองกระดูกเราหมดเลยเราตายทับผมมาบนโลกนี้มากมายมหาศาลนานนับกับนับกันแล้วก็ความทุกข์โศกเศร้าเพราะวาความยึด ความรักลูกเหมือนห่วงผูกคอสามีภรรยาเหมือนห่วงผูกศอกรักกัสมบัติพัฒฐานบ้านช่องเหมือนห่วงผูกพราวลูกเหมือนถูกสามพิพากษาแขวนคอตายรักสามีห่วงสามีภรรยาเหมือนถูกศาลพิพากษาใส่กุญแจมืออย่างดีรักสมบัติพัฒฐานบ้านช่องห่วงเนี่ยบางคนจะกลับบ้านแล้วรอนับวันเวลาพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้ว พวงนี้จะได้กลับบ้านแล้วมันห่วงห่วงเนี่ยบางคนลากลับไปก่อนแล้วเห็นไหมเนี่ยมันห่วงห่วงเนี่ยมันดึงกลับเนี่ยมันดึงกลับสังเกตให้ดีๆมันเป็นยางหนังสติ๊กทันไม่ได้ขาดหรอกมันเป็นยางหนังสติ๊กไอห่หวงสามหว่หวงเนี่ยเดี๋ยวมันดึงดึงกลับไปแล้วเดี๋ยวจย์มาลากลับไปไหนกลับไปหาลูกหาหล า, านเดี๋ยวก็ ดึงมันเป็นยางหนังสติ๊กยืดมาได้เพียงแค่ชั่วขนาดเนี่ยมันไม่ได้ขาดมามันเป็นยางหนังสติ๊กรู้จักได้ไหมหนังยางหนังสติ๊กกับมันยืดอย่างเงี้ยมันแค่ยืดมามันไม่ได้ขาดมายางหนังสติ๊กอะมาปั๊บห่วงลูกหวงหลานแล้วบางคนยิ่งหนักกว่านั้นหวงหมาห่วงแมวที่บ้านอีกมันเด้งดึงกลับไปเข้าท้องมันอีกแล้วไปเกิดเป็นลูกหมาลูกแมวแล้วเนี่ยมันเด้งดึงกลับไปแล้วมันมาแค่ชั่วข่าวแล้วมันก็เด้งดึงกลับไปบางคนก็ห่วง ห้วงผวองเมียเด้งดึงแล้วต้องกลับไปดูแลเขาหน่อยก็ต้องกลับไปธรรมชาติของการมีครอบครัวก็เด้งดึ ง, ดงกลับไปแล้วใจเราอะ่ะไม่อยู่กับตัวเราหรอกแล้วก็ห่วงบ้านห่วงบ้า น, านคิดถึงบ้านแล้วบางคนก็ไม่ถึงยังไม่ถึงกําหนดเลยกลับแล้วคิดถึงบ้านก็มันมาชั่วคราวนะเด้งดึงเลยแล้วตาสะเกตดดูวเวลาไปปฏิบัติธรรมที่รวมๆกันเยอะๆเนี่ยเออฉันปฏิบัติที่วัฒธรรมสัมมือที่ปากช่อง ก็ก็ปีลานกว้างๆอย่างเงี้ย <Jub> ก <ilee> ็ให้กลางเต้นนอนกลางเต้นนอนทั้งหมดอะไม่มีห้องพักกลางเต้นก็เต็มไปหมดเลยเต็มลานไปหมดเลยพอถึงวันสุดท้ายเนี่ยบางทีไม่ถึงวันสุดท้ายเต้นเริ่มค่อยๆทยอยหายแล้วโอ้แต่ตอนมานะโอ้โหสนุกสนานกลางเต้นกันผุดผับผุดผับผุดผับโอ้หว่าเลาะก็สนุกสนานเหมือนได้มาเจอกันเหมือนได้มาชอปปิ้งเลยเอเหมือนได้มาปิกนิกเนี่ยนานทีได้มาปิกนิกแต่พอวันจะกลับนะ ลงตายังไม่ทันจะตื่นมาเลยตอนเช้าเต็นทหายพูบับพูบับพูบับพูบับพูบับอ้าวหายไปไหนหมดเต้นไม่เหลือเลยคิดถึงบ้านกลับกันเป็นแถวเลยเก็บเต้นกันพูบับพูบับพูบับพูบับคิดถึงบ้านมาหลายวันแล้วคิดถึงบ้านเห็นไหมเราอ่านใจเราไม่ขาดมันเป็นยางหนังสติ๊กดึงกลับไปแล้วมันเป็นยางหนังสติ๊กมันไม่ได้ ขาดขาดอะไรได้ลราใจมันไม่ขา ด, ดานัแน่ๆคือพบคือชาคือตั้งหาอุปท า, านพบชาดมันเป็นยางหนังสติ๊กมันไปเกิดที่แล้วมันไปน่ยมันไปเตรียมแล้วไปเตรียมเกิดเนี่ยไปเกิดปกเป็นลูกลักลูกหวงลูกหวงหลานก็ไปเกิดเป็นลูกของลูกลูกของหลานไปเข้าท้องก็อยู่เลือยไปทราบพบสร้างชาติในท้องของลูกของหลานแล้วเนี่ยมียายแก่คนหนึ่งเนี่ยปฏิบัติเกับหลวงปู่ม่านกุริตตโตพ่อแม่กูบาอาจารย์ใหญ่ภายวานาพุโทโธพุโทโธพุโทพโธ แต่ใจมันคิดถึงแต่หลานคิดถึงแต่หลานห่วงแต่หลานอ้าหวหลานก็เลยท้องก็ไม่รู้ว่าที่หลานท้องเนี่ยคือวิญญาณของตัวเองอ่ะไปจับไปสร้างภบสร้างชาติไปแล้วนี่คือภพชาติที่เราพูดที่ถามถึงคืออุปทานภพชาติเนี่ยปัญหาอุปทานภพชาติคือห่วงห่วงมันไปแล้วห่วงหลานนี่ไปหลานท้องเลยแล้วปรกากฏว่าตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะไปไปสร้าง ตั้นหาอุปทานาพบชาติไว้ในท้องหลานแล้วมันไปเกิดแล้วคือมันสร้างขึ้นมายังไม่ทันจะตายเลยสร้างมาก่อนแล้วนี่ไงพอสร้างขึ้นมาก่อนแล้วเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนี่ยความไม่รู้นี่มันไปสร้าง bon. ไว้แล้วไปห่วงความไม่รู้เนี่ยเป็นห่วงส่งออกไปแล้วไปยึดไว้อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารมันไปสร้างไว้แล้วสร้างท้องเลยนี่ไปปรุงแต่งผสมไว้เสร็จเลยสังขารคือการสร้างขึ้นมาการผสมกันปรุงแต่งสร้าง ให้ท้องขึ้นมาแล้วอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเรียบร้อยแล้วสร้างเสร็จแล้วรอแต่สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณรอแต่วิญญาณของยายเท่านั้นแหละที่จะมายายมาลุตตอนไหนแหมบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจิตส่งว่าบไปเข้าท้องหลานอืมทำไมเงี haben, <ctors> về, ้ยบริกรรมพุทโธพุทโธเห็นจิตมันว่าบวิ่งเข้าไปในท้องหลานเอี่นี่ <there> ไอ้คนที่จะไปเกิดในท้องหลานนี่มันคือเรานี่เองนี่เลยไปเล่าให้หลวงปู่ม่านฟังหลวงปู่ม่านโพลิโตก่าแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่หลวงปู่ม่านบอกว่าเนี่ยมันไปสร้างภพชาติไว้ในท้องหลานแล้วมันเตรียมจะไปเกิดแล้วเนี่ยจะตายแล้วนะเนี่ยเร่งบริกรรมพุทโธพุ้โธพุทโตตัดให้ขาดเข้าก็เลยโอกลัวมากเลยมันเร่งบริกรรมพุทโตผู้โตผู้โตตัดขวงให้ขาดเลยให้จิตมันกลับมาดื้อขาดจากยางหนังสติ๊กเลย ตัดยางหนังสติกให้ขาดเลยตัดไใหม่มันไม่ขาดแล้วนคงมันเป็นคงจะเหนียวมันคงกระเด้งไหลายลกระเด้งตัดดึ้งดึ้งึึงมันก็ไม่ขาดนะทีตัดไปบ่อยไปบ่อยแ้วซ้ำซ้ำซก็ขาดอึไม่กลับไปหาหลานอีกเลยความวุ่นไม่ความวุ่นขาดเลยตัดห่วงขาดสะบ้านแท้งเลยเพราะวิญญาณของยายเนี่ยที่ไปจับจองไว้มันไม่เข้าไปซะแล้วคือเหมือนกับคนที่ซื้อที่ดินไว้ก็ไปวางเงินไว้สัญญาทําสัญญาจับซื้อจับขาย แต่สุดทา้ายก็ตัดสินใจไม่ซื้อเลยบทสุดท้ายคนอื่นก็มาเอาไว้ได้ตอนแรกว่าถ้าตัวเองยังไม่ยังไม่ขาดนะสัญญาจะซื้อจะขายมันจับจองไว้คนอื่นจะมาเข้าแทนก็ไม่ได้ทองนั้นนะคนอื่นจะเข้าแทนไม่ได้เพราะว่าตัวเองอาจะจับจองสัญญาจะซื้อจะขายใบนั้นไว้แล้วพอสัญญาจะซื้อจะขายใบนั้นขาดเท่านั้นเนี่เออมันแทงไปมันจะต้องคนอื่นจะเข้ามาต้องมาสร้างใหม่เป็นอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารใหม่คือต้องเป็นอวิชาของคนอื่นแล้วจึงจะมาสร้าง ท้องใหม่ในท้องของหลานนั้นแล้วก็เอาวิชาของคนอื่นแล้วมาสร้างสังขารเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณของคนอื่นจึงมาแทนแต่เนี้ยพอสังขารเป็นปัจจัยก็ทําให้เกิดนามรูปคือขันห้าเนี่ยที่พวกเร า, านาั้งคาทาสลอรเนี่ยแต่ขันห้าเขายังไม่ครบนะพอมีนามรูปก่อนคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีชีวิต จ, จิตใจขึ้นมาสักก่อนแล้วก็รูปไปที่หลังเพราะ วิญญาณเป็ดปัจจัยให้เกิดนามรูปเขาไม่เรียกว่ารูปนาะมไม่มีไม่จำมีรูปร่างซะก่อนนะแล้วมาเป็นชีวิตจิตใจชีวิตจิตใจมันมาเกิดก่อนมีเวทนาสัญญาทั้งขามวิญญาณมาเกิดซะก่อนแล้วก็มาเป็นนามรูปจากนามรูปก็เลยมีตลายัตนะก็คืออายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ประตูใจเกิดขึ้นมา เพราะอายตะนะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดเวทนามีการเนี่ยมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเป็นปัจจัยทําให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทําให้เกิดตัณหาเพราะความไม่รู้เนี่ยคือสิ่งใดที่ชอบใจมันถูกใจเราไปกระทบในขณะปัจจุบันถูกใจชอบใจก็เข้าไปยึดสิ่งใดไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็เข้าไปยึดเนี่ยเวทนาเนี่ยมันมีชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจถ้าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจมันก็เพลินไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้ก็หลงเป็นโมหะ แต่เนี่ยมันก็เลยเป็นมันก็เป็นอุปทานนเนี่ยอุปทานไปสร้างภพสร้างชาติไว้แล้วแต่เนี้ยเป็นภพเป็นชาติที่เตรียมจะไปเกิดอะไรล่ะเพลิดเพลินเจริญใจไปเรื่อยเราอ่านไม่อ่านตัวเองไม่ออกว่ามันถูกใจไม่ถูกใจเราเดี๋ยวก็เพลินนู่นเพลินนี่เพลินนั่นตอนนี้ตอนนี้ก็เอาละนันทิคือความเพลินเป็นต้นเหตุเของตัณหาเนี่ยเอนันทินันทินี่นันทิ ราคะตกตราตัตระตัตราพินันตินิเตยยะตังกามตนะภาวะตหาวิภาวะตหาเนี่ยในธรรมจักรกับพระนันสูที่พระเจ้าตัดกับปัญจวคีทั้งห้าเนี่ยตอตัดสรุปเสร็จออกมาสอนบัญจวคีทั้งห้านี่นันธิเนี่ยนันธิคือความเพลินใจไปวันๆเนี่ยเพลินไปกับลูกรถกินเสียงสัมผัสเจตสีตธรรมารมณ์คืออกใจที่มั่นโปรงโลภเบาสบา ว่างๆซอบๆนุ่มโนนแล้วก็ลังเกียจใจที่ไม่สบายไม่โปร่งไม่โลกไม่เบานี่ล้นผักใสอย่างเงี้ยแล้วก็เพลินใจไปกับสิ่งนุ้นตรงนี้ทั้งวันอย่างเนี้ยนันทิี่ยนันทิคือความเพลินใจไปกับลูกรกินเสียงสัพพะเสศีธรรมอารมณ์นันทิราคะเนี่ยนันทิราคะสหกตาตัตตะตัตตราพินันทินีเสรษยาธิทางกามตัญหาเนี่ย เป็นบอกเกิดกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ย น, นันทิเนี่ยการส่งจิตออกนอกเนี่ยเป็นนันทิแล้วเนี่ยตัณหาออกมาจากเนี่ยนันทิเนี่ยการส่งจิตออกนอกก็คือความคิดปรุงแต่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยนั้นถ้าเราเนี่ยมารู้นเตาทานจิตเห็นจิตไปกระทบอะไรต่างๆเจ้าหมวกเล่นกายใจเอาเข้ามาคิดวิพาควิจารอะรอยู่ในใจ ถาสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจมันก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นความคิดได้ทุกคิดเพราะว่าไปรู้เห็นอะไรสัมผัสต่าหูเจ้าหูลิ้นกายใจมันก็ต้องเอามาคิดปรุงอย่ในใจปรุงคิดคิดปรุงอยู่ในใจเราเนี่ยไม่คิดปรุงที่ไหนได้หรอกถ้าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจมันก็เลยเห็นได้ทุกคิดเห็นทุกคิดรู้ทุกคิดไม่ติดไปคิดอะไรก็ได้แต่รู้ ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจหรือรู้ทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นอย่างไรได้ is, mafia, need, แต่ s <S รู้ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจแค่รู้เนี่ยหรือรู้ซื่อหรือสักแต่ว่ารู้พระเจ้าตรัสพยาว่านี่แนะเธอจะบรรลุน you ิพพานก็คือแค่รู้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยแค่รู้แจ้งรู้แจ้งที่ใจรู้แจ้งที่ใจเธอจะบรรลุนิพพานได้พยาฝังจบก็บรรลุนิพพานเนี่ย นี่คือการเกิดปัญหาอุปทานพบชาติแล้วก็เนี่ยชะามารณะในขั้เป็นขณะจิตแล้วก็จากการเกิดการเกิดจริงๆไปเกิดจริงๆจากการสร้างไว้ก่อนตายนี่เกิดจริงๆกับมันเกิดจริงๆก็มาจากการที่เราเนี่ยสร้างพบสร้างชาติในขณะในขณะจิตปัจจุบันแล้วส่งผลให้ ไปเวียนไหวตายเกิดจริงๆนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือทั้งวงใหญ่ที่เป็นการเกิดจริงๆและเป็นวงที่มันเป็นขณะจิตจริงๆแล้วเวลาดับมันต้องดับแต่ขณะจิตปัจจุบันแล้วเวลาตายมันก็ดับทั้งวงใหญ่เลยวงคือปฏิจจสมุปบาทก็หักสับบานมันจริงจ เ, เป็นที่มาของเอาหยิบหนังสือให้หนังสือหนังสือจบสักทีมาดิ มันเป็นที่มาของหนังสือจบทักีหน้าปกหนังสือปกหน้าป ก, ห, าปกหลังเนี่ยโรงพิมพ์เขาพยายามโรงพิมพ์ตอนแรกเขาบอกว่าออกแบบผิดหรือเปล่าเนี่ยข้างหลังเนี่ยกระดาษดีๆไปหาเรื่องเจาะเขาให้เป็นรูเนี่ยก็จะไม่ยอมเจาะให้บอกไม่ได้ต้องเจาะต้องเจาะอันนี้เป็นสําคัญมากนะเนี่ ย, เ, ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเข้าใจไหมทาไมหนังสือมันหน้าปกมันถึงกระดาษเข้าดีๆเสียเงินไปเล่ายังประทับไปเจาะหายไปเข้ามายอมจะเจาะในอุตสาห์เสียเงินค่าปกไปแพงๆเนี่ย แล้วก็ไปเจอะกระดาษได้เป็นรูกระดาษดีๆ เ, เห็นไหแล้วดูที่การออกดูที่ว่าปกหน้ากับปกหลังมันต่างกันตรงไหนดูหนังสือจบ ท, ทักทีปกหน้าปกหลังมันต่างกันตรงไหนอะไรหายไปอะอะไรหายไปเนี่ยตัวตนหายไปเนี่ยตัวตนหายไปเนี่ยอุปทานเนี่ยตัวตนมันหายไปมันก็เลยกลายไปเป็นเนี่ย ใจที่ว่างเปล่านี่การเป็นใจที่ว่างเปล่านี่นีะเอ่แล้วก็หายตัวไปตายแล้วก็เลยหายไปตัวไปเนี่ยตรงเนี้ยมันก็หายตัวไปได้เลยถ้ายังมีตัวเนี้ยที่หน้าปกเนี่ยมีคนอยู่มีตัวตนอยู่เนี่ยตายแล้วมันก็ไม่หายไอเนียความยึดเนี่ยแน่คืออุปทานเนี่ยอันหาวอุปทานภพชาติะมันต้องนี่ความรู้สึกเป็นตัวตนมันหายไปนี่ตายแล้วมันจะได้หายไปในเดียวธรรมชาติเป็นใจที่ว่างเปล่านี่แน่ภพชาติก็ ฉลามลานาก็จบลงปฏิจจานุบาค็จบลงนี่แนะตัวตนมันต้องหายไปตัวตนมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากนี่แนะ่ตัณหาเนี่ยตัณหามันเกิดจากอะไรตัณหาก็เกิดจาก น, านันธินี่ไงเนี่ยตัณหามันเกิดจากนันธินันธิราคะตาหกะตาตัตตะตัตตราพินันธินีสยยาทิทางกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหามันก็มาจาก น, านันธิความเพลินความเพลินไปทากไหนอะควาเพลินก็มาจากจิตสม อ, องนอกก็เลยเนี่ยกาเหล่านี้ รู้ต่อทันจิตส ma ่งออกนอกแล้วเราก็จิตเห็นจิตแจงแจ่มแจ้งรู้ต่อทันจิตส่งออกนอกแล้วก็สติตั้งอยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจแล้วก็รู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อนิพพานจึงเป็นที่มาของหนังสือหนังตาเล่มหนึ่งรู้ซื่อซื่อนิพพานเล่มหนึ่งทีโยมโยมจิมก็เอขออยู่แต่พอดีไม่มันหมดไปเอ่ามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งรู้ซื่อซื่อนิพพาน หายสงสัยเอาถามตอเมื่อกี้ถามไม่ตอบไปแล้วคหรืออธิบายจบไปหมดแล้วอีกอันหนึ่งแสดงว่ากรรมก็คือสังขารใช่ไหมใชาป่ะคุณตากรรมกับสังขานี่กันเดียวกันเออกรรมก็มาจากเนี่ยเอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดเนี่ยการคิดการพูดการกระทําน่ะกรรมก็มาจากการคิดการพูดการกระทำแล้วส่งผลให้เกิดกรรมอ่ากรรมแล้วก็ไอ้การคิดการพูดการกระทำก็มันก็มาจากไหนก็ การคิดการพูดการทำไปตามกิเลสเนี่ยไปตามกิเลสแล้วยทรงจิตออกนอกไปแล้วก็ทําให้เกิดกรรมเนี่ยเกิดกรรมกรรมแล้วก็ส่งผลในวิบากเกิดเป็นผลขึ้นมาจริงๆนีกรรมก็คือการคิดการพูดกรรทำไปตามกิเลสนั่นแหละแล้วก็เลยส่งผลให้เกิดเป็นกรรมเนี่ยตัดนันที่เอกาศนะนันทิกันนี่แน่อย่าทรงจิตออกนอกนันทิคือมาจากความเพลินเนี่ยเราเนี่ยใช้ชีวิตส่วนใหญ่มันทรงจิตออกนอกหมดนะเพลินหมดนันทิเนี่ยเป็นนันทิหมด เพราะนันทีเนี่ยเป็นเหตุทาให้เกิดตัณหาเนี่ยแต่นันทีก็มาจากไหนอะตัณหามันมาจากนันทีนันทีมาจากไหนนันทีก็มาจากตรงจิตออกนอกทรงจิตออกนอก็มาจากไหนอะไม่รู้ท่ัตันจิตเนี่ยไม่เห็นจิตไม่เห็นจิตไม่สติไม่ตั้งวิจใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจลาดีใจมันทรงจิตออกนอกไปไม่รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้จิตซื่อๆรู้ซื่อๆรู้จิตซื่อๆทุกนณะปัจจุันจิตเป็นยังไงรู้ไปอย่างนั้น จิตเป็นอย่างงี้อย่าอยากให้เป็นอย่างงั้นจิตเป็นอย่างงั้นอย่าอยากให้เป็นนี้อย่างนี้มันเป็นกิเลสตัณหาเป็นทางตรงข้ามปัญพานนี่เอี่ยตั้งกล่าวไว้ชัดมากเลยหรือพุทธาจารุธรรมโก็ไม่กูอาจารย์รู้ซื่อๆนี่เนี่ยทางแห่งปัญพานหรือรู้ซื่อๆเนี่ยเนี่ยิพานอภควงกา